ขอบคุณที่เธอเป็นวงวขอบคุณที่เธอทาไทยว่าฉันนั้นเป็นอย่างไรทำใจได้หรือยังขอบคุณที่เธอยังอยู่ขอบคุณที่ยังมีใจขอบคุณที่เธอเปลี่ยนไปในทาง ในทานของความเป็นเพื่อนที่เธอมาคอยย้ำเตือนว่าเรายังเป็นเพื่อนที่ดีแต่ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมจะเจอไม่อยากให้เธอเห็นฉันอย่างนี้ าพานม้เลยอย่าเจอฉันเพราะฉันไม่อยา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 ไมสภามีเลยอย่าเจอฉันเพราะฉันไม่อยาพบใครอย่ามาเห็นฉันตอนที่ฉันเสียใจอย่าทำร้ายฉันในความดีอย่ามาเห็นฉันในสภา โปรา